ทำๆกัน <c oughs> <c oughs> ปฏิวัติทำกันรุนนี้เป็นรุนพิเศษเนาะได้ผ่านอะไรเยอะแยะจากตัวเราว่า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 ดังนอนหลลุกไม่ได้ปวดเบาปวดหนักลุกยากลาบากไม่มีทางเดินมีแต่ที่นอนกลางบุมก็กไม่ได้ครับแคบตู้ซีนั่งอยู่นี่นอนชลาไก่หมดไม่เคยมีไม่เคยมีอย่างนี้นะเคยนอนอยู่ในห้องอย่างดี่าอยู่เช่นนี้ แสงว่าฝึกขัดแล้วนักปฏิบัติไม่ต้องกลัวอะไรสติไม่ต้องกลัวอะไรชีวิตไม่ต้องกลัวอะไรไม่เป็นอะไรนี่คือได้ึกผลตนเองความยากความลำบากความสะดวกไม่เรียกลอง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 เราะสูตแต่ค ว, ความเป็นทุกข์เป็นทุกข์บาดนี้ความเป็นทุกข์เป็ น, นภายในพานเย็นแล้วควอมทุกข์เหมือนกัลร้อนควมร้อนเย็นลงแล้วอะไรที่มันร้อนเย็นลงแล้วในชีวิตเรา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 จะได้เห็นข้อเท็จข้อจริงเหตุอยู่ที่ไหนแกตรงนั่นได้ทุกประความไม่เที่ยงแต่ละเหตุไม่ต้องทุกปะความไม่เที่ยงคือฝนได้เย็นไหมเน่ยฮะได้เย็นไหมฝน <c oughs> ตกละต้องแก่กล้าเสี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 โลกใจเย็นเพาเหตุอันใดตอบได้ไหมเม่นักธรรมนะโลกร้อนเพราะเหตุอันใดโลกจจเย็นเพาเหตุอันใ ด, กกน ต, อนดตอบให้พิลักตอบได้ไหมตระ ก, กูลจะบางครั้งอยู่ได้นานไม่เสื่อมต้องมีทำอะไรประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองเพราะมีทำอะไร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 ความดีของเราเนี่ยก็เป็นผลกระทบต่ อ, อคนใกล้ชิดเราพ่อขอแม่เป็นคนดีลูกก็ต้องเป็นคนดีพ่อแม่เา็นคนชั่วลูกก็าอาจจะเป็นคนชั่วเ <c oughs> <c oughs> ช่นพระนางพุ้จะดีพระเจ้าคงสนชัยแม่ดีพ่อดีได้ลูกชายเป็นเพศ่ฉันหลอนเป็นโปรที่สัตว์ พระนางสิภาปยาพระเจ้าจ้โตเธอะเป็นคนดีลูกเคยไ้เป็นศิรัฐะเป็นพุทธเจ้าหามชุ่มชกพ่อแม่เป็นคนไม่ดีอยู่บ้านทุนนมิตขแอ่ท่านขอเจริ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 เอาใจมาเป็นทุกข์เอาใจมันเป็นสศกเลยอมีเช่นี่หรือชีวิตเรามันจะเจงขนาดไหนอันกายอันใจเนี่ยเราจะเจงกว่านี่ไม่ได้หรือประคตตนนะมันมีกำลังศรัทธาต้องมีพลังแกคร้าทลาได้ไกลเิม ห, หลงทำไมล้วทลาไกลก็โดดไกลมี่ศรัทธามีพลัง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 รูเอารูเอารูเอาทิ้งมันไปสอบนึงสองสอบอาจจะไม่เห็นล่องรอยหลไรทิ้งมันลงไปทิ้งไปไปไปมันเต็มขึ้นมากป็นเขื่อนเละง่ายละวันในความหลงเนความไม่หลงในความทุกข์เนความไม่ทุกข์ในเม มันมีคู่มีความเกิดต้องมีความไม่เกิดมีความแฉะต้องมีความไม่แจะมีความเจ็บต้องมีความไม่เจ็มมเบ ม, ม, ม, จมีความตายต้องมีความไม่ตายยอมถ้าไม่คิดก็ได้คิดไม่ออกก็สัพเพสังฆานิจาติครับวเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง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 ที่เป็นทุกข์ที่ตอนหลงนั่นแหละเป็นทางเห็นพระนิพพานตองที่เราจวบติละคณาคาถาแล้วก็แปลแล้วก็เราก็ชอบทางอืมล้วก็ชอบนะอแล้วออนะเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงเป็นพระนิพพานมันแหละมันมีคู่ไม่คู่เป็นทุกข์ไม่ทุกข์นะ น, นะเย็ยนแล้ว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 ร้องทุกข์เพราะความหม่เที่ยงนั้นไม่ใช่เชื่อโลกทำความเห็นให้มันรู้แค่ขึ้นมาแล้วก็แค่ได้ในความทุกข์มีความไม่ทุกข์ไม่ความโกรธไม่ความไม่โกรธหัดเปลี่ยนยัคยมจำหนวนต่อสังขาร เปียนเป็นวิสังขารสังขารคือปุงมีรสชาติมีรสความทุกข์ก็มีรสความสุขกมีรสความอต่างๆละสังขารเจ้อโลกแค่วิสังขารให้ลงปเตียนซะไม่ลไม่โกรธไม่ทุกข์วิสังขารวิสังขารไปในผานสังขารไปสู สุขติที่บอกเปลี่ยนว่าตายเกิดต้องสูจ้จะหน่อนั้นคนสุบุรีสังขารคือสู้ติดอยากพราสู้จึงติดเพราะติดจึงอยาเพราะหยากจึงสู้เพราะสู้จึงติดเป็นสังขาร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 ตอบตายใช่พวกมนเดียวกันใช่ไหม <laughs> เป็นสากร์ดล้านไปกลัวอะไรตัวอย่างมีอยู่แล้วเอาอย่างนักปฏิปธรรมสม่ในข้างพระเจ้าพระสงฆ์พระอราหันต์บางรูปเอาตัวอย่างวง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 ตอเอานูกระทางขอบสะ <c oughs> ได้ไปยืนให้ลูกกินนมอยู่พอลูกกันกินดมลลูลกมันนอนแอบอเอา้าลูกมันเดินแอบหลอกแม่ก็เดินยือนอยู่มองลกูกมองล้ามองเดินหนีไปเลยนะอย่างไวเลยทิ้งลูกไปเลยจนทั้งวันเลย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 เก่งคือหมาไปทางแน่นอนสมควรใช้เวลาเนาะพระพ่ อ, พ อ, พอมกันโอ้ไม่เชิ่อไม้ชิ่